ฟังอยู่จนะเบื่อวันไหนก็พูดธรรมะธรรมะอยู่เรื่อยวันนี้นานๆฟังก็ไม่ค่อยจะเบื่อเท่าไหร่แต่ดยส่วนใหญ่ค่ะวันมีการหิวการตองการในธรรมะการฟังธรรมะก็มีรสชาติดีเราในต่องการพเอื้อื้ันก็หัวหูเบื่หู เหมือนถาดกันของเราถามันหิวพอมีอาหารมารับทานมันข่อรสชาติมันดีถาดมารับอาหารก็อร่อยอร่อยเ่งพูดธรรมะก็เหมือนกันยิงไปเรื่อยๆในสถานที่ต่างๆ น, นๆานๆพอมาพบครูอาจารย์พูดธรรมะรู้สึกว่ามีรสชาติมาก ชอบไปถึงจิตถึงใจดีถาอยู่ก็้ือไปเรื่อยๆได้ยินอย่างบ่อยๆมันก็เป็นอีกอย่างมหมายถึ ง, งสร้างธรรมะจากปากคาของคนอื่นคืยังห่างจากธรรมะจิตในจิตในเรื่องของธรรมะ <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยได้ผลแตประโยชน์ดี แต่พูที่ท่านมีความเพียรในตัวของท่านมนธรรมะในตัวของท่านทุกระยะเวลาการพิจรณาธรรมะเป็นื่องอยู่ของท่านแบบนั้นพอคนอื่นเอ่ยขึ้นถ้าเขาลักเกียนที่เรากำลังนี้นิจเจนาอยู่รู้สึกว่ามันเจ็เจาะตั้งหน้าตั้งตาฟังวิจัยวิจาร คมิดความเห็นของเขครูของอาจารย์สี่ท่านแสดงไปถ้าพูด ต, ต่ำกว่านั้นที่เราเคยปฏิบัติผ่านมาที่เจ้น่ะรู้ถัวถึงแล้วนั่นก็ไม่เคยจะมีรสชาติ่าไรสี่ท่านขูดสูยงขึ้ น, นไปที่เรายังไม่เห็นไม่เป็นในใจเราก็ตั้งหน้าฟังเพื่อจะจำเอาไว้ในเรื่องการฟังธรรมะ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 สิ่งผิดชั่วเสียต่างๆออกไปจากกายวายจาใจของสันดะเรามาคิดเจริญนาเรื่องของท่านว่าเป็นคนเหมือนกันตัวของเราก็เป็นคนไม่มีเขามีหางทําไมเราจึงจะประพฤติปฏิบัติอย่างท่านไม่ได้มันก็มีจิตมีใจอยากจะกระทําบําเพ็ญให้เห็นให้รู้เพราะธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่เย็น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 ใจสู่ใจของคนใดคนนั้นก็ปลอดภัยจากเรียนรำสต่งๆเรื่องของธรรมะฉะนั้นธรรมะที่เราจะหาได้จากเข้าใจรู้เห็นข้อข้อการกระทบบำเพ็ญของเราที่เจน่าดูอยู่ภายในอย่าส่งใจออกไปภายนอก ธรรมะมันอยู่ในไม่ไดอยู่นอกถ้าเรายังไม่ฉลาดส่งออกนอกเท่าไรก็จะทำให้เรายุ่งเหยิงหลุ่มหลงเลื่อยไปมาส่งเข้ามาภายในจนฉลาดในตัวพอแล้วข้างนอกเราออกไปก็มีการหลงไหลไม่มีกา ร, การยุ่งเหยิงพอออกไปทางนอก มันจะเหมือนกันกับอยู่ข้างในนี่คือผู้ที่มีใจเป็นธรรมะเบื้องต้ น, นจึงควรสอนตนให้กำหนดลงไปภายในใจของตัวใจที่เคยปุ่งปุ่งคิดนึกต่างๆด้วยอารมณ์สัญญามาอยู่ยุให้คจดให้ปุ่งให้อยู่ให้เกี่ยวตลอด วันตลอดเวลาไ่เคยสงบเย็นให้เมื่อใจเราเป็นแบบนั้นมันก็ไม่เห็นอันนี้สงของความสงบเย็นว่ามันมีความสุขความสบายแค่ไห น, นก็เลยเห็นการยุ่งเกี่ยวกับสัญญาอารมณ์หน น, นั้นว่าเป็นความสุขความสบายไม่ได้สนใจกับความพักผ่อน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 พอมันจุดที่หนึ่งแล้วมันก็ไหม้เลื่อยไปเหมือนไฟที่มีเชื้ออยู่ที่ไหนมันก็ไหม้เลื่อยไปการพิจิรณาทำในกายในใจของเราก็ทำนองเดียวกันขอให้จับจุดใดจุดหนึ่งให้ได้เสียก่อนแล้วมันจะติดตามไปเองเรื่องต่างๆสิงง่งเคยข้องจิตจิตปรุงยุงเกียวทานั้นตาม ครูอาจารย์ท่านแนะนก็คือรูปปรธรรมนามธรรมรูปปธ ร, รรมก็หมายถึงรูปที่เรามองเห็นโดยตาเป็นของอยางซึ่งมีอยู่ทั่วไปแต่ท่านให้ดูเฉพาะคือดูที่กายของตัวก่อนนามธรรมนั้นหมายถึงสิ่งที่รู้แต่มองไม่เห็นเป็นตนวัาสุทุกเรียกว่าเวทนาความ จำได้หมายรู้ต่างๆทางตำราเรียกว่าสัญญาความปุงคิดเรียกว่าสังขารความรับรู้สิ่งต่างๆจากตาหูตลอดถึงรู้อารมณ์ทางใจงเรียกว่าวิญญาณมีหมายถึงนามมัดทำทำทั้งสองอย่างนี้แหละจะให้คนผู้พิจิตรเจรนาคนผู้ศึกษารู้เข้าใจ ขนาดชัดเจนแล้วไม่หลงจิตของในสิ่งเหล่านั้นจะทำตัวให้ปลอดภัยจากโลภโกรดหลงไปได้เพราะความโลภความโกรธความหลงนั้นเนื่องจากพวกเราท่านไม่มีอัตธรรไม่เข้าใจในสิ่งต่างๆตามเป็นจริงของมันจึ่งเกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นเผาตัวของตัว ถ้าหากรู้เข้าใจประจากษาชัดเจนในอกในธรรมในว่ารูปรธรรมหรือนา ม, มัธธรรมแล้วเรื่องต่างๆเหล่านี้มันปลดปล่อยหมดไปเพราะใจเป็นผูกชอบใจเป็นผูกจิตใจเป็นผูกโกรผู้โลภผุ้หลงไม่ติดเรื่องของกายเรื่องของกายนั้นปกติไม่ว่าสมัยปัจจุบัน หรืออดีตที่ผ่านมาหรืออนาคตต่อไปมันไม่มีความหมายอะไรสําหรับกายความหมายมันอยู่ที่ใจกายนั้นถ้าไม่มีใจอยู่ภายในแล้วมันไม่มีความหมายจะเป็นหญิงกว่าตามเป็นชายกว่าตามเป็นนักบวชกว่าตามเป็นพราวาสกว่าตามกายนั้นหน้าที่ของมันเป็นอย่างไรมันก็เป็นไปตามหน้าที่ของมัน ใครจะยึดมัน่นถือมัน่นมันก็เป็นไปอยู่อย่างนั้นใครจะปล่อยวางมันมันก็เป็นไปอยู่ตามหน้าที่ของมันแต่ความรลุ่มหลงของใจเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเรานักปฏิบัติจะควรสึกรู้แล้วแก้ไขใจของตัวจิตจิตกลุ่ยหลงเกี่ยวกับเรื่องรูเรื่องนามต่างๆนี่คือการปฏิบัติปฏิบัติอยู่ภายใน ดูแลอยู่ภายในทาจิตทาใจของตัวให้สงบให้ผ่องใสในทาใจให้ฝุ่งุงยุ่งเกี่ยวแล้วขุ่นมัวเหลือร้อน้าพิจัยนาถูกในเรื่องของธรรมะกว่านับวันนับเวลาที่จะแแก้ไขจิตใจสีชั่วเสียต่างๆตกออกไป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 ทางศาสนาถือว่าเป็นกิเลสไม่ใช่ความจริงของจิตของใจแต่นั้นการชำระกิเลสจริง้องที่นีที่เจนเข้ามาภายในสังเกต ด, ดูจิตใจของตัวมันคิดจงยุ่มเกี่ยวกับอะไรไายะที่เรานั่งฟังทมอยู่นี้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 จะให้ทำแสดงธรรมนั้นเข้าไปสัมผัสกับใจเพื่อใจจะได้ส่องใสใจจะได้สงบนี่คือวิธีฟังธรรมภาวนาไปในตัวเหมือเราตังจิตถูกพิจนารณาถูกจิตของเราในระยะที่ฟังนั้นมันจะมีความสงบมีความสุขความเย็นหรือถ้าห่า เป็นขั้นที่จเจริญปัญญาเป็นขั้นที่ท่านเรียกว่าวิปัจินาก่อนสามารถที่จะที่จเจริญาตามธรรมะที่ท่านสูดไปขับไล่ความงใสงสัยให้ตกลวลนออกไปสมัยพุทธกาลการฟังธรรมถือเป็นเรื่องจำเป็น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 กำหนดที่นี่ที่เจรานาตามหญิงพระพุทธเจ้าสแสดงผู้ฟังจำนวนมากเป็นบางการบางเวลาแต่ก่ปตามอัธยาศัยตามบุญบารมีของแต่ละท่านผู้ฟังนั้นบางท่านบางคนก็สามารถผ่านพ้นไปจากกิเลสตัณหาเป็นโซดาสกิษฐีาช า, าอนาชาอรหันไปได้ บางคนก็ถึงพระใจธนาคมคือเลื่อมใสอยู่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ช้างช้างสิธรรมะออกจากพระโอษฐของพระองค์อย่างเดียวกันผู้ฟังก็เอาหูเอาใจเอาหูฟังเอาใจคิดเหมือนกันแต่อำนาจของสติปัญญาไม่เหมือนกันเหตุ น, นั้นจึงมีลักล่นานต่ำสูงผิดกัน ผู้ที่มีสติปัญญามากกวาสามารถที่จะทิดนิพพยาณาไปได้มากจนขับไล่ที่เลือดออกจากใจหมดไปผู้ที่มีสติปัญญาน้อยกวาตามขั้นตามภูมิของตนดังนั้นการฟังธรรมะสมัยพุทธกาลตามตำนานที่แต่งกล่าวเอาไว้ว่มีการสาเร็จมักผลกันจํานวนมากมากแต่สมัยปัจจุบัน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 จากโลกจากสงสารมีน้อยเต็มทีแต่ว่าจิตคิดจรงุงอยากจะอยู่กับโลกมันมากนี่หมายถึงมนุษย์ทั่วไปมาอยากเป็นอย่างนั้นถ้าหากมีผู้วิเศษนำภาหนะอันวิเศษมาใช้พร้อมที่จะไปนิพพานมามาขึ้นเดี๋ยวนี้ฉันจะพาไปนิพพาน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 มีหมายเป็นจิตของปวกเราธรรมดามันยังห่วงยังยุ่งอยู่ในวัฏจักสงสารเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้เบื่อหน่ายในการเกิดการตายของตัวมันยังจิดยังของ้อยังยินดีเต็มใจถึงทุกข์ลำบากยากยุ่งขนาดไหนมันก็ยังหลงไหลไฟฟฝันไหวันใดก็วันหนึ่งจะมีสุขมันเลยคิดได้ปรุงไปแบบนั้นแต่ความจริง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 เราอยู่เดี๋ยวนี้มีความสุขเพราะโรคภัยในเบียดเบียนตลอดถึงการกินดื่มเราก็ไม่หิวกระหายอะไรยึงนั่งอยู่ได้สะดวกสบายถ้าหากมันหิวหวยขึ้นมาหรือโรคภครเบียดเบียนหนักเข้าเราก็อยู่ไม่ได้จะแสดงอาการกิริยาต่างๆนาน า, นาถึงอยู่ได้ปกอ้วนกวายทางจิตทางใจ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 ว่ามันดีมันวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้เป็นตนว่าเราหลงในวัตถุเข่าของที่เคยแสวงหามาจำนวนเท่านั้นจำนวนเท่านี้ฉันมีฉันรวยแต่เมื่อความทุกข์ทรมานทางธาตุขันมันจะแตกจะสลายจริงจังเข้าของเงินทองถึงจะมากองพ่ง หัวของเราเอาไว้มันก็ไม่มีอะไรที่จะทําโรคภัยให้หายไปทําใจให้เย็นให้สงบเมื่อเวลามันเป็นอย่างนั้นมันทุกข์มันลําบากคิดไปหาอะไรซึ่งเราเคยเพิดเพลินว่าอันนั้นมันดีอันนีน่มันวิเศษมันก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ให้มันเบือ่อมันน่าย พอมันเจ็บมันจะตายมันไม่มีอะไรเป็นความสุขความสบายให้นี่คือใจที่ติดอยู่กับวัตถุติดอยู่กับโลกแต่จิตใจที่มีอาจนมีธรรมไม่เป็นอย่างนั้นเพราะท่านมีสติมีปัญญาสามารถทีพิจิตรนาะของต่างๆที่หามาได้ที่พักที่อาศัยอยู่มาตลอดถึงปัจจุบัน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 ธาตดินถาตน้ํธาตุไฟธานลมอากาศวิญญาณซึ่งเหล่านี้มันไม่แตกสลายไปที่ไหนมีแต่สมมติที่ถือกันเท่านั้นมันรวมกันอยู่มันก็เวลาหมดเรื่องของมันมันก็ไปตาหน้าฉีดของมันดินน้ำลมไฟมันก็ไปเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟเป็นอากาศเป็นวิญญาณของมันอยู่อย่างนั้น เราห่วงเราห่วงเรายึดเราถือว่าเราอ่ของของเราไม่อยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเรื่องของขาดขาดมันเป็นไปอย่างนั้นโอกใครมันเบียดเบียนได้แจกเกลเอ็ดความหลุ่มหลงท้องใจหาคนหลุ่มหลงมันก็เบียดเบียนอีกทุกทั้งทางกายจากโอกใครภายนอกพอเบียดเบียนทุกทั้งทางใจที่แกใครตัวไม่ได้พอยึดพอถือ เลยหนักเป็นสองทุกเข้าไปไม่มีอะไรที่จะสุขจะสบายใหน้นี่คือใจหลงใจไม่มีธรรมแต่ใจมีธรรมถึงเรื่องเหล่านี้จะเต็นไปตามหนักขีดของมันเหมือนกันกับคนที่ไม่เคยคปฏิบัติที่เคยปฏิบัติคนมีแก่มีจิตมีใจเหมือนกันแต่ท่านไม่หวั่นไหวท่านไม่ได้เสียใจท่าน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 เรายังไม่พอในการอบรมจิตใจท่องตัวไม่รู้ไม่เข้าใจความเป็นจริงทองถาดท้องขันตามเป็นจริงทองมันใจจึงหวั่นไหวอย่างนี้ถ้าหาารู้ดีเข้าใจดีไม่มีการหวั่นไหวถาดขันเป็นอย่างไรก็เพียงเป็นคนดูเท่านั้นผู้ดูไม่ได้เต้นไปตามเรื่องของถาดท้องขัน จึงทราบได้ดีว่าธาตุขันนี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรบัางป๋อไปตามอัธถีของมันเป็นอันนั้นในที่สุดผู้ไปรู้ไม่ได้อยู่ในธาตุในขันธาตุขันไม่ใช่ผู้ไปรู้ไปเข้าใจอย่างนั้นขันจิงสงบเย็นอยู่ไม่มีคิดไถในจิตในใจของขันนี่คืออานิสงส์ของการประฤปฏิบัติตามอัธธรรมที่พระพุทธเจา้าเนีสอนใคร ตัวพืชปฏิบัติได้ไม่ว่าตายไม่ว่าเป็นมีความเย็นมีความส ง, งบไม่ตื่นเต้นหลงไหลไม่มีอะไรที่จะมาหัาดยุจิตใจท้องท่านให้ปวนปั่นเหลือร้อนวุ่นวายแต่พวกเราท่านยังไม่เป็นถึงขนาดนั้นก็ต้องอาศัยการแต่ทำบำเพ็ญนำไปที่นิติเจนา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 เดือดร้อนวุ่นวายไม่มีความสุขความสบายเอาเลย <c oughs> จงพากันที่นิพแานาศึกษาธรรมะก็คือรูปปัตตธรรมนามธรรมาไม่ว่ารูปภายในในแก่ตัวของเราหรือรูปภายนอกนามก็ไม่ว่านามภายในหรือนามภายนอกมันเหมือนกันหมดเมื่อศึกษา ริ่งเหล่านี้ให้เข้าใจดีเท่านั้นทางศาสนาหรือผู้ศึกษาทั่วไปทันถือว่าโลกวิริรู้แจ้งโลกไม่มีอะไรปิดบงังอำพัางไม่ต้องไปเที่ยวรอบทุกสถานที่ทุกแห่งทุกคนทุกประเทศแต่ก็เข้าใจชัดเจนในเรื่องของโลก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 เรื่องการศึกษาทมการปฏิบัติทมการกำหนดทรมจึงควรกำหนดอยู่ภายใน <iem> คือดูกายดูใจของตัวที่มันไปล่มหลงย่งเกี่ยวยึดถือต่างๆน า, านานั้นเพราะความในเข้าใจในอัตในธรรมตามเป็นจริงของมันทั้งๆสิง่งเหล่านั้นเขาไม่รู้อ่โนอิเนอะไรกับเราเราไปรักเขาไปยินดีกับเขาไปเกลียดเขา แล้วก็เกิดทุกข์เขาเหล่านั้นเขาไม่ใช่ตอบอะไรกับเราไม่ว่ารูปหวานา้ำมันเป็นจริงอยู่ตามเรื่องของมันแต่เราไปหยุดไปถือไปเกี่ยวไปคว้าจะเป็นของของเราอันเลยเกิดทุกข์เกิดร้อนเพราะความไม่สมหวัง เพาะสิ่งนั้นนั้นมันเป็นอนิจจังคือแปรปรวนไปตามสภาพของมันไปแต่ไหนแต่ไรมาแต่เราไปห้ามกั้นเอาไว้ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันไม่ฟังเสียงของเราเรากเสียใจเดือร้อนเพราะมันสมความปรารถนาของคนมันก็ไม่มากอะไรเรื่องใจที่จะแจกะไขแต่ที่เจอนะธรรมะไม่มาก หากพิจารณาจุดของธรรมะจริงจังแต่ผูดถึงสาขา <c oughs> ของธรรมะแต่แสงของธรรมะมันก็มากเหมือนไฟอ่ะแสงมันกว้างออกไปยิ่งแรงเทียนมากเท่าไรมันก็ยิงสว่างออกไปไกลเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างออกไปจากหลอดของมันจากวัตเทียนของมันจะไป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 ตามเหลืองของมันถ้าหากทุกสิ่งทุกอย่างเราคิอว่ามันเป็นอ น, นิจจังอย่างนั้นเราไม่ได้ยึดมั่นแก้ไขด้วยสติด้วยปัญญาเหมือมีอะไรมาสัมผัสเกี่ยวความสับใจมาตาใจโดนใจของเราจะเป็นทางชอบกว่าดีทางเหยียดทางกว่าดีให้มีปัญญาแก้ไขว่าสิ่งเหล่านี้ มันมีประจำโลกมันมีมาแต่ไหนแต่ไรเราไม่เห็นเราไม่ได้ยินมันก็มีอยู่พอเห็นพอได้ยินเข้าทำไมเราไปห่อไปเหิยวเอามาทับผมตัวของเราฉลาดเรวหรือยิงไปเอาสิ่งที่เน่าที่เน้นที่ไม่เป็นสระมาทับผมตัวของตัวมีสติสอนตัวมีปัญญาสอนตัวทิจะไนะสิ่งนั้นนั้น ให้มันตกไปหลุดไปจากใจของตัวใจของตัวถึงอยู่ในโลกก็ไม่ได้เปืี่ยนเปดโดยโลกอยู่ในวงของกิเลสกิเกลสก็ไม่ได้มาทับผมโจยมสีพระพุทธทเจ้าเรืออริยสาวกท่านอยู่สะดวกสบายเย็นกายเย็นใจเพราะท่านมีสติปัญญาขับไล่อารมณ์ตัญญาสิเลตัญหาออกจากใจ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 ตัด เ, เรื่องกิเตสปัญหาสติปัญญาศรัทธาความเชียนมันจะมีในเราเองไม่ใชใ่คนอื่นจะหามาให้ขอให้ต่างใจกำหนดต่างใจที่นิจจนาสำร ะ, ะสาัสใจที่เคยยืงเยิงวุ่นวายเดือดร้อนจะเป็นใจที่สงบเยือกเย็น หากเรากระเพื่อปฏิบัติตามอาัตตามธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นอันกนสงในตัวของตัวเองเป็นสันทิปติโกเห็นเองทำของพระพุทธเจ้าไม่ว่าสมัยพระพุทธองค์ยังทรงพระสนอยู่หรือหลวงรับดับขันไปความสุขความทุกข์ความดีความชั่วค ว, ความสงบ ผู้กระทำบาเพ็ญจะต้องเห็นส้งรู้เป็นสันติโกอยู่ในจิตทุกคนไปอาจารย์ลิโกไม่มีการมีสมัยหากระพรืดปฏิบัติในทางดีผลความดีก็เกิดขึ้นให้ระพรืิไปในทางชั่วคิดไปในทางชั่วพูดไปในทางชั่วความชั่วไม่ว่าสมัยพุทธกาล หรือสมัยปัจจุบันหรืออนาคตยังไม่ถึงจะทํานองเดียวกันความชั่วเท่านั้นจะเป็นผลตอบแทนผูิที่ทชั่วผูดชั่วที่ชั่วทาจึงเรียกว่าอาการิโก้คือไม่มีการมีเวลาเราจะทําจิตทําใจของเราให้สงบเย็นการใดเวลาใดเราก็พอทําได้ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่ ยิงจะทําได้พระพุทธเจ้าปัจจุบันนี้ผานไปทําไม่ได้เกิดแจ่เจ็บตายหรือกิเลสตัณหาพระพุทธเจ้าปรินิพ้านไปแล้วกิเลสตัณหาของเราทําไมไม่ตกออกไปในปริจนนีพานในดับไปเหมือนพระพุทธเจ้าเมื่อ <c oughs> มันยังมีอยู่ที่ไหนเป็นข่าวสุดท้องใจทําใจให้ไฟฝันเดือดร้อนพอควรแล้วที่ทุกคน จะนำมาสนใจที่ใจน่าแกไ้ไขถ้าหากรักตัวสงวนตัวหาความสุขให้ตัวเป็นคนฉลาดนี่ในเป็นอย่างนั้นก่อป่วยเก็บเอาสิ่งที่ชั่วที่เสียมาเผาตัวเองแล้วก็บนเผือวะ่ะทุกข์ว่ะเดือดร้อนอย่างนั้นอย่างก็เพราะตัวชั่วตัวเสียตัวไม่ฉลาด หาเก็บเอาของเนา่าของเหม็นของเป็นพิษเป็นภัยมาบริโภคมาใช้มันจึงเกิดเนา่าเกิดเหม็นเกิดร้อนรนกับวนกับว่บบบบายอย่างนั้นถ้าควรฉลาดของขี่ไหนมีคุณค่าสาระก็ควรผ่านไปทิ้งไปปล่อยไปอย่าไปกอบไปกลวัวไปหอบไปหิว้วของขีดในมีคุณค่าสาระ ให้หนักบ่านักมือตัวเองไห้เนี้ยสอนที่นิพิแจนากำหนดธรรมะของพกกระพุทธเจ้าเอาไว้เหมือนกันกับเรามีไฟไปในที่มืดส้องอาศัยไฟไฟจะทำความสว่างให้เราจะปลอดภัยในตกลุมตกบบอโดนหลักโดนตอกคนไม่มีไฟไปในที่มืด ปลอดภัยเราถวกไปก่บทํานองเดียวกันให้หาไฟคือธรรมะ <c oughs> มาจุดมารักษาเอาไว้จิตใจของเราอะไรเกิดขึ้นผ่านมาหากม่เป็นสาระประโยชน์ควรถอดสิ้งปล่อยวางไปเสียอย่าไปเกาะโวยหอบหิวเอาทุกสิ่งทุกอย่างโลกอันนี้มันสมบูรณ์มีทั้งชั่วทั้งดี คนไม่ฉลาดมันก็ไม่สามารถที่จะเลือกเฟ้นหาของดีได้มะพร้ามันก็ยังมีทั้งเปลือกทั้งกลาแล้วก็ทั้งเนื้อทั้งน้ำของมันเราจะกินทั้งลู้มันก็ไม่ไ ม, มีรสชาติอะไรเปลือกกลาของมันอาจจะเป็นชิ้เป็นทายต่อธาตุต่อขันก็เป็นไดน้นี่เรื่องในโลกก็เหมือนกันคนมีปัญญาเท่านั้นที่จะได้เสียบ แต่ความสุขความสงบความสบายคนไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถที่จะหลบหลีกติดตัวออกจากเรื่องชั่วเรื่องกิเลสตันห า, ด า, นานดได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงนเสียบเหมือนไฟสําหรับส่องโคไฟว่าอะไรดีชั่วผิดถูกมันจะได้เห็นจะได้หยิบถูกถ้าไม่มีไฟเราอยู่ในที่มืดจะจับอันนั้นจับอันนี้คไม่ทราบว่ามันอยู่ที่ไหนบางที ขาไปอาจจะไปถูกสิ่งที่แหลมทีคมหรือสารพิษก็ได้แต่นั้นจงนำธรรมะของพระพุทธจจเจ้าคือไฟเข้าไว้ไปจำใจของตัวอะไรเกิดขึ้นผ่านมาทีนี้พี่เจะนะด้วยสติปัญญาเห็นว่าจะนำคุณค่าสารประโยชน์มาให้ทำกายทำใจให้สงบสุขจง หยิบยกเอาอันนั้นมาไว้สิยงใดที่เป็นเรียนเป็นภทยทำตัวของตัวและคนอื่นสัตว์อื่นให้เดือดร้อนหยิบปัดเตาออกไปกำจัดออกไปเมื่อเรามีสติมีปัญญามีธรรมะมีปัชีิคือทำใส่ในใจของตัวสองสว่างอยู่ทุกการทุกเวลาอะไรผ่านมา ส่วดีรู้อย่างนั้นเราก็จะมีเรื่องสุขเรื่องสบายเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เป็นทุกข์เป็นโทษสิ่งใดที่เป็นประโยชน์เรากรอบควยการทาบําเพ็ญ น, นี่แหละชื่อว่าคนฉลาดมีความสงบมีความสุขตามฐานะหน้าที่ของตัวธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้มีอยู่ที่อื่น ฉันถือว่ารูปว่าธรรมนามะธรรมสรุปกายอันนี้เป็นธรรมถ่าพิจารณาให้เป็นธรรมถ้าพิจารณาให้เป็นกิเลสมันก็เป็นกิเลสนามะธรรมก็คือเรีสนาสัญญาสังขารเวียนาณซึ่งมีอยู่ในสวงเราท่านที่ยังไม่ตายทุกคนจงนําไปที่นี่พิจารณาศึกษาอยู่ภายในของตนต่างคนต่างศึกษารู้เข้าใจในธรรมะ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 ผิแดแตกแตกต่างกันอย่างไรนี่แหละพระพุทธเจ้าถือว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสัตวาทุกคือความบริสุทธิ์ของจิตมันเหมือนกันไม่มีอะไรจิแดแตกแตกต่างกันไม่ว่าสมัยปัจจุบันหรือสมัยพุทธกาลหรืออนาคตยังไม่ถึงธรรมะมันเหมือนกันเสมอตนเสมอตายอยู่ตลอดเวลาขอให้พวกเรานําไปทีนี้พิจารณาศึกษาทั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ ผลที่เกิดขึ้นก็คือความสุขความสงบความสว่างความสวัยในกายใ น, ใ, นใจของตัวนี่คือผลที่ละความชั่วบํามเพนความดีตอทพกตามธรร ม, าามะของพระพุทธเจ้าทุกคนจะเห็นจะเย็นจะสะงบเพราะอาศัยธรรมะเขารักษาแต่นั้นขอทุกคนที่ได้สะดับรับฟังรงนำไปที่นิพพานเะมื่อเห็นว่าถูกต้อง ตามคำนอ ง, องของธรรมของลงมือของพือปฏิบัติตามต่อแต่นั้นไปความสุขความเจริญก็จะเกิดขึ้นแก่ทุกท่านการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอต้องเสิเวลาพอจุติพียงแค่นี้เอวัง